หัตถิวัหมวดว่าด้วยพระหัตถิเป็นต้นหนึ่งหัตถิทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระหัตถิทายกะเทระพระหัตถิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าได้ถวายช้างเชือกซึ่งประเสริฐมีงางงอนงามควรเป็นราชพานะแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เขาพระเจ้าบรรลุสันติบทอันเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งยอดเยี่ยมเพราะเขาพเจ้าได้ถวายช้างแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อคุลแก่สัตว์โลกทั้งปวงในกัาบที่เก้าสิบสี่นับจากกัาบนี้ไปเขาพรเจ้าได้ถวายช้างไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นโลนยการถวายช้างในกราบที่เจ็ดสิบด นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบหชาติพระนามว่าสมันตปาสาติกะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระหัตถ ท, ทายกกะเทระ ได้พาสกขคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิหัติทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองปานะทิทายกะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระปานะทิทายกะเทระพระปานะทิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพระองค์ได้ถวายรองเท้าแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ประทับอยู่ในป่าทรงเข้าฌานมีพระทัยประขอบด้วยเมตตามีเดช ท, ทรงธรรมทรงอบรมพระองค์แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลกรรมนั้นข้าพระองค์จึงได้ใช้สอยยานทิศนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมเมกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพระองค์ได้ทากรรมไวในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายรองเท้าคู่หนึ่งเนี้กกับที่77็สิบเจดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกริย์ทผู้จักพัฒนกก์แปดชาติพระนามว่าสุญานะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปานนติทายกะเทระได้พาศึกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปานนติธายกะเทราประทานที่สองจบสสัจจะสัญญกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระสัจจะสัญญกะเทระพระสัจจะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเวชภูมมีหมู่ภิกษุแวดล้อมทรงแสดงอริยสัจช่วยมหาชนให้สงบเย็นข้าพเจ้าถึงความเป็นคนน่าสงสารอย่างยิ่งได้ไปสู่ที่ประชุมนั่งฟังธรรมของพระาศาสดาข้าพเจ้าครั้นฟังธรรมของพระาศาสดานั้นแล้วตายแล้วได้ไปเกิดยังเทวโลกอยู่ในเทพบุรีนั้นตลอดสามสิบกับเรียกกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป เขาพระเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งสัจจะสัญญาการได้ความทรงจำในสัจจะี่กลับที่ยี่สิหกนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าเอกภชสิตะทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระสัจจะสัญญกะเทระได้ภาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการาชนิสัจจสัญญกะเทราประทานที่สจบ 4. เอกะสัญญกะเทระประธานประวัติในดิจฉ่าของพระเอกสัญญกะเทระ พระเอกรสัญญกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นผ้าบางสุขุนของพระาศาสดาคล้องอยู่บนยอดไม้จึงได้ประคองอัญเชลีไหว้ผ้าบางสุขุนในกลับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจําไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อ ก, กลับที่ยี่สิห้านับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจาักพรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าอมิตตาพระเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกสัญญกะเทระ ได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิเอกะสัญญกะเทราประทานที่สี่จบห้ารังสิสัญญกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระรังสิสัญญกะเทระพระรังสิสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทยัยและดุจ ด, ดวงจันทร์ องอาจดังสือโคร่งมีชาติตระกูลประเสริฐประทับอยู่ในระหว่างภูเขาอนุภาพของพระพุทธเจ้านั้นรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างภูเขาเขาพรเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัศมีแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกลับเนื้อกลับที่เหลือเขาพระเจ้าบำเพ็ญกุศลด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นและด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในืกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการได้ความทรงจำในพระพุทธเจ้าเรียกลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุชาตะเป็นใหญ่ในหมูชนมีพลรานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระรังสีสัญญกะเทระได้พาสึคถาเหล่านี้ด้วยประการชนิรังสีสัญญกะเทราประธานที่ห้าจบหสันติตะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระสันติตะเทระพระสันติตะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิต่าของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าหวนระลึกขึ้นด้วยความทรงจําอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในพระพุทธเจ้าที่ต้นอจัตทะพฤกมีประกายเขียวสดงอกงามดีเล่มกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ความทรงจําไว้ในครั้งนั้นเพราะอํานาจถึงความทรงจํานั้นเขาพระเจ้าจึงได้บรรลุความสิ้นอาสวะ เรียกกลับที่ส3บสานับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพระนามว่าวินิทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระสันติตะเถระ ได้พาสุขาถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีสันติตะเทราประธานที่หกจบเจ็ดตาละวันตะทายกะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระตาละวันตะทายกะเทระพระตาละวันตะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าเขาพรเจ้าได้ถวายพัดใปตาลแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติจะ ผู้ทรงมีทิพยะจักสุเพื่อต้องการให้ดับความร้อนในฤดูร้อนเพื่อให้ความเร่าร้อนสงบไปเขาพระเจ้าได้ดับไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะที่ยิ่งกว่าความร้อนนั้นอย่างสนิทนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดไบตานกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้าย อยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดไปตานเรียกกลับที่หกสิบสานับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่ามหารามะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้เกอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตาลวันตะทายกะเถระได้พาสุขคาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ตาลวันตะทายกะเถราประธานที่เจ็ดจบ แอกกันตะสัญญกะเทราประทานประวัติในดิชาติของพระอกกันตะสัญญกะเทระพระอกกันตะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าหยิบผ้าสาดกผืนน้อยผ้าปิดแผลในผ้าห่มของพระอุปชากําลังพร่ำศึกษามนเพื่อบรรลุวิชาศูญย์ฝีได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสระ ผู้ประศักดิ์ธุลีเครกิเลสผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้ล้ำเลิศผู้ตรัสรู้ดีแล้วดุพยากุศสารตัวประเสริฐผู้เป็นนรชนสูงสุดผู้ล้ำเลิศทรงมีความเพียรมากผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชนทรงเหยียรผ้าสาดอกผืนน้อยที่ข้าพเจ้าลาดไว้ ครั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้ส่งแสงสว่างในโลกปราศจากมวลทินดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญจึงได้ถวายอภิวาพระบาทของพระาศาสดาด้วยจิตที่ผ่องใสเลียกกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผ้าสาดกผืนน้อยไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าสาดกผืนน้อยเรียกกลับที่สามสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุนันทะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกพระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, าพระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอากกันตสัญญกเถระ ได้พาสึขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อักกันตะสัญญะเทราประทานที่แปดจบกล่าสับ ป, ปิทายะเถราประทานประวัติในดิจช่าของพระสับ ป, ปิทายะเถระพระสับ ป, ปิทายะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าเข้าไเจ้านั่งอยู่ในปราสาทหลังประเสรศิฐมีหมู่นารีแวดล้อม ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้สงบทรงพระประชชนจึงมิมนเข้าบ้านพระองค์ผู้มีความเพียรมากผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อากกว่านรชนเสด็จเข้าไปแล้วเขาพระเจ้าได้ถวายเนยใสยและน้ำมันแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เขาพระเจ้าได้เห็นพระองค์มีความกรธกระวายสงบระงับมีอินทรีย์คือพระภาคผ่องใส จึงถวายอภิวาสพระบาทของพระศาาสดาแล้วให้ประกาศไปในนครพระวีระเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ทรงเห็นข้าพเจ้าผู้เลื่อมใสจึงเสด็จเหาะขึ้นสู่นภาการดังพยาหงในท้องฟ้าเรียกกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสยและน้ำมันเรียกกับที่สิบเจ็ นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าทุติเทพสมบูรณ์ด้วยรัตนเศสประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกษ์แปและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสัปปิทายะกะเทระ ได้ภาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสส ป, ปิทายกะเถราประทานที่เก้าจบสิปาปนิวาริยะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระปาปนิวาริยะเถระพระปาปนิวาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเเ้าถางสถานที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า ปยาทัศ ส, สีมุงบางด้วยไม้ อ, อ้อป้องกันลมและแดดพระพเจ้าบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเพื่อต้องการเว้นบาปตั้งความเพียรในศาสนาของพระศาสดาเพื่อละกิเลสทั้งหลายเนี่ยกลับที่ส1บเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏนามว่าอคีเตชะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมาก คุณนวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแปและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปาปานิวาริยะเถระได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประกาศรรนีย์ปาปานิวาริยะเถราประทานที่สิบจบหัตถิวัคที่ยี่สิบสอง จบบริบูรณ์รวมอภปทานที่มีนิวัตินี้คือ 1. นึ่งหัตถายกะเทราประทาน 2. ปานทิทยกะเทราประทานสสัจจะสัญญะเทราประทานสเอกะสัญญกะเทราประทานหรารังสิสัญญกะเทราประทาน 6. สันติตะเทราประทาน 7. ตาลวันตทาทยกะเทราประทาน แปอากันตะสัญญกะเถราประธานเก้าสับ ป, ปิทายะเถราประธานสิบปาปนิวาริยะเถราประธานมีคาถาห้าสิบสี่คาถาชันนี้แหล 3. อารัมพณทายกะวะักหมวดว่าด้วยพระอารัมพณทายกะเป็นต้นหนึ่งอารัมพณทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอารัมพณทายกะเทระพระอารัมพณทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ถวายราวสะพานแด่ ب, พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐทัตสี ผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ทรงเป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์เขาพระเจ้าปกครองแผ่นดินอันกว้างขวางจดฝั่งสาครนแผ่ความยิ่งใหญ่ไปในสัตว์ทั้งหลายและในแผ่นดินกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าเขถอนได้แล้ววิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็าได้ทำสาเร็จแล้ว ในลับที่หกสิบสองนับจา ก, กลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสามชาติพระนามว่าเอฟาทัสิตะมีพลานุภาพมากพุนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่พระอาลัมพนาทายกะเทระได้พาศัลย์เหล่านี้ด้วยประการรัชนีอาลามพนาทายกะเทราประทานที่หนึ่งจบสองอาชินะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอาชินะทายกะเทระพระอาชินะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า เนื้อขับที่สาสิเอ็ดนับจา ก, กลับนี้ไปเขาไปเจ้าเป็นคนคอยต้อนรับหมูคณะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกยิเลสผู้สมควรรับเครื่องบูชาข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนข้าพระองค์ได้ถวายแผ่นหนังแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกด้วยผลกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงได้สวยสมบัติเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วทรงร่างกายอันมีในพพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขับที่สามสิบเอ็ดนับจากขับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายหนังสัตว์ไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยเนี่เป็นผลแห่งการถวายหนังสัตว์เนี่ยขับที่ห้าสิบนับจากขับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสุทายกะ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 อาชินทายกะเทราประธานที่สองจบสทเวรตานิยะเทราประธานประวัติในฎจชาติของพระทเวรตานิยะเทระพระทเวรตะนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในฎจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเคอรกิเลส ผู้สมควรรักเครื่องบูชาในป่าดงทึบข้าพเจ้าจึงถวายชิ้นเนื้อแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าได้เสวยอิสริยยศในโลกนี้พร้อมทั้งเทวลโลกด้วยผลแห่งการถวายเนื้อนี้รัตนะจึงบ่งเกิดแก่ข้าพเจ้ารัตนะสองประการในโลกเกิดแก่ข้าพเจ้าเพื่อบรรลุธรรมในปัจจุบันเพราะผลแห่งการถวายเนื้อ ข้าพเจ้าเสวยรัตนทั้งหมดนั้นคือตัวของข้าพเจ้าอ่อนนุ่มและปัญญาของข้าพเจ้าคุนละเอียดลึกซึ้งเนื้รกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเนื้อไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนื้อเนื้อกลับที่สี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหาโรหิตะ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 ทเวรตะเนยเถราประทานที่สจบ 4. อารักขะทายกะเถรา ป, าปร ะ, าระาราทาน ป, ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขะทายกะเถระพระอารักขทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ให้สร้างแท่นพิทีที่วางเครื่องสักการะบูชาถวายแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธะ และได้ถวายอารักขาแด่พระสุคตผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยผลกรรมพิเศษนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เห็นภัยที่น่าว่าเสียวเลยความสะดุ้งกลัวก็ไม่มีแก่ข้าพเจ้าผู้เกิดแล้วในภพไหนไหนในกลับที่เกบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าให้สร้างแท่นภัยทีไว้ในการก่อนจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นัยทีถวาย เนี่กับที่หกนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าอปเสนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระอารักขาทายกัเถระได้พาศึกษาเหล่านี้ด้วยประการศนิอารักขาทายกัเถราประทานที่สี่จบห้าอพยอาทิกะเถราประทานประวัติในดิจฉาของพระอพยอาทิกะเถระพระอภยอาทิกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ถวายโรงไฟแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีได้ถวายที่อยู่และเครื่องรองรับน้ําร้อนแด่ภิกษุผู้อาพาธผลกรรมนั้นได้เนรมิตอัตภาพของข้าพเจ้าไว้ดีแล้วข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักความเจ็บไข้เลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนื้อลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายโรงไฟไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายโรงไฟเนื้อกับที่เจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองหนึ่งทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระอพยทกะเถระได้พาสุขคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อพยทกะเถราประทานที่ห้าจบหกวักุละปุพยเถราประทานประวัติในเดตชาตของพระวะกุละปุพยเถระพระวะกุละปุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่า ชนทั้งหลายรู้จักชื่อข้าพเจ้าว่านารทะรู้จักข้าพเจ้าว่ากัสสะโดยโคดข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้เลิกกว่าสมณะทั้งหลายซึ่งเทวดาสัการะแล้วทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะผู้สมควรรับเครื่องบูชาข้าพเจ้าจึงยกประคองดอกพิคนขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่เกสิบอดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี้กลับที่เจ็ดสิบสี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นกระสัพระนามว่าโรมสะทรงเครื่องประดอกไม้มียานกำลังพลและพาณะพร่างพร้อมคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมก8ปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวักกุลปุพพิยะเทระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้วักกุลปุพพิยเทราประธานที่หกจบ7โสวรนนวัตัสกิยาเทระประธา น, น, น, ะะร ป, รานประวัติในดิตชาตของพระโสวรนนะวัตัสกิยาเทระ พระสูวันณะวะตังสกิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเดินอยู่ที่สวนได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกจึงได้ถือมาลาัยประดับศีรษะที่ทำด้วยทองคำซึ่งประดิษฐ์อย่างงดงามขึ้นขี่ช้างรีบไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก เนื้อขับที่สาอนับจากขับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลเนื่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้ขับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากขับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักพระพัฒนองหนึ่งมีพระนามว่ามหาปตาปะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพราณาุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิน ญ, ญาห ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโสดวันณนะวัตตังสกิยะเถระได้พาสัจถ า, าเหล่านี้ด้วยประคารชนี้โสวันนะวัตตังสกิยะเถราประทานที่เจ็ดจบแปมินชวะตังสกิยะเถราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระมินชาวะตังสกิยาเถระพระมินชาวะตังสกิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าสิกขีผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเข้าไปเจ้าได้ทําการบูชาต้นโพที่ห้อยระยะด้วยมาลัยประดับศีรษะ เนื้อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาระเจ้าได้ทำการบูชาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาต้นโพเนี่กลับที่ยี่สิหนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าเมฆพะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิัมพิทาสีวิโมกข์แป และอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระมินชาวาตังสกิยะเทระได้พาสึขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้มินชาวาตังสกิยะเทราประธานที่แปดจบ 9. สุกตาเวริยะเทราประธาน ประวัติในดิตชาตของพระสุกตาเวริยะเทระพระสุกตาเวริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพุทเจ้าเป็นช่างดอกไม้มีนามว่าอาชิตะได้ถือพวงมาลัยไปเพื่อ น, น้อมกล่าวถวายแด่พระราชายังไม่ทันถึงพระราชาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกชีผู้ทรงเป็นผู้นำ ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อขับที่สามสิบเอ็ดนับจากขับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อขับที่ยี่สิบห้านับจากขับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเวภาระมีกำลังมากมีพลานุภาพมาก กุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกเขาพรเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้เจ้าว่าท่านพระสุกตาวลริยะเถระได้พาสุกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สุกตาวลริยะเถราประธานที่กลาจบสิบ เอกวันธนิยเถราประทานประวัติในเดจจ่าของพระเอกวันธนิยเถระพระเอกวันธนิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าเวชภูผู้องค์อาจสามารถมีความเพียรทรงชำนะวิเศษ เนกับที่ส1อดนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอภิวาทเนกับที่ยี่บี่นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าวิกระตานันทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภินญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกวันธนิยเทระได้พาคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิเอกวันธนิยเทราประธานที่สิบจบอาลามพนาธายกวัคที่ยี่สิบสามจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวรักษ์นี้คือ หอาลัมพณะทายกะเทราประทานสองอชินะทายกะเทราประทานสทเวระตานิ ย, เนาายะเทราประทานสอารักขทายกะเทราประทานห้าอพยาธกะเทราประทาน 6. วกุละปุพพิยะเทราประทานเจโสวร น, นะวตตังสพิยะเทราประทาน ปมินชะวะตังสกิยะเทราปทานเก้าสุกตาเวริยะเทราปทานสิทธเอกวันธนิยะเทราปทานท่านผู้เห็นประโยชน์ทั้งหลายคำนวณคาถาได้ห้าสิบห้าคาถาชั้นนี้แหล